ตั้งใจบัดนี้ถึงเวลาที่เราจะทำความสงบทางจิตใจโดยเฉพาะดังนั้นจึงพากันตั้งสติสํารวมจิตเข้าไปในภายใ น, ย ใ, นให้เข้มแข็งทุกสิ่งทุกอย่างมีจิตนีเนน้เป็นผู้นำเป็นประธาน ในโลกนี้ไม่มีอะไรจะเป็นใหญ่กลัวจิตใจไม่มีจิตใจเมื่อมันไม่รู้มันก็สร้างเอาแต่ความชั่วใส่ตัวเองถ้ามันรู้มันฉลาดมันก็สร้างแต่ความดีให้แก่ตัวเอง ตนทำความดีไม่ใช่เพื่อผู้อื่นอย่างเดียวจุดประสงค์ก็เพื่อตัวเองนั่นละก่อนเมื่อตนม่มีคุณความดีอยู่ในใจขอสมควรแล้วเราจะเอาอะไรไปเผื่อแผ่คนอื่นได้มันก็ทำไม่ได้ เหมือนอย่างตนไม่มีเงินหรือมีเล็กน้อยอย่างนี้นะไปจ่ายผู้อื่นแล้วตนก็อดอก็จึงจ่ายไม่ได้ อ, อันนี้เหมือนกันแหละทุกคนขอให้พิจารณาดูให้ดีว่าเราบวชมาหรือมาปฏิบัติธรรม ในวัตรา ศ, าศาสนานี้ก็เพื่อฝึ ก, กจิตดวงนี้โดยเฉพาะเลยทำไมยังฝึกมันเหตุที่พระพุทธเจ้าสอนให้ฝึกก็เพราะมันยังไม่รู้ไม่ฉลาดยังตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาอยู่ ดังนั้นพระองค์จึงทรงสอนให้ฝึ ก, กจิตให้เข้าถึงความสงบให้ได้ถ้าไม่ฝึกให้มันสงบเป็นหนึ่งลงไปลวก็กิเลสมันก็นบรบกวนะทำให้จิตใจอ่อนแอท้อแท้ทำความดีไม่ได้มันก็มักจะหัน ไปทําแต่ความชั่วนั่นแหละคนเราอะ่ะเพราะว่าดีกับชั่วมันเป็นคู่กันมาในชีวิตจิตใจของคนเหล่านี้เมื่อจิตนี่มันทิ้งความดีเสียความชั่วมันก็มาเป็นเจ้าเป็นใหญ่อืมถ้าจิตทิ้งความชั่วซะแล้ว ความดีก็เป็นเจ้าเป็นใหญ่อยู่ในจิตนี้อำนวยความสุขให้แก่ดวงจิตนี้ตลอดไปมันเป็นอยู่เนี่ยชีวิตของคนเราให้พิจารณาดูให้ดีวันนี้คนส่วนห้ายนะ่ะดีก็เอาชั่วก็เอาปนเปกันไปเลยเป็นอย่างนั้น เบเนเดี๋ผู้ปฏิบัติธรรมผู้เห็นโทษแห่งกรรมอันชั่วแล้วจึงได้พยายามขาจัดกรรมชั่วออกจากกายวาจาใจให้หมดไปสิ้นไปเขาได้แก่ผู้ที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมในวัตวาศาสนานี่แหละ ถ้าไม่ฝึกผลอย่างนี้แล้วจะไปทำวิธีอื่นให้จิตมันตั้งมั่นลงไปให้กิเลสเบาบางไปไม่มีทางเพราะว่าความสงบนั้นมันเป็นบ่อกเกิดแห่งปัญญาปัญญาในทางธรรมต้องเกิดจากความสงบของจิต ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้เพเก่กิตให้เขาถึงความส ง, งบอันจิตใจมันจะส ง, งบลงได้ก็เพราะไม่มีบาปเหตุนั้นบาปจะระ ง, งับไปได้ก็เพราะสมทานมั่นในศีลมีศีลบริสุทธ ไม่ร่วงพุทธวัญญัติต่างๆแล้วทางจิตใจมันก็ของใสสะอาดเพราะมันปราศจากบาปกรรมบาปกรรมทั้งหลายมันละได้มาแต่สินนู่นมาเนี่มผู้ภาวนาหากไม่พาไปในสินไม่สมทานมั่นในสินแล้วเป็นไปไม่ได้ ไม่มีสินแต่กับภาวนาสงบได้มีปัญญาพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนในคนรักษาสินเลยก็สอนในภาวนาทีเดียวไปเลยแหละ แต่มันไม่หาได้เป็นอย่างนั้นไม่เพราะว่าบาปประทำรรนะเมื่อบุคคลสะสมไว้ในใจแล้วมันก็กวนใจให้พุ่งซ่านเลื่อนลอยให้เป็นคนใจดำอำมหิตมากไปด้วยความโลภความโกรธความหลงมันเป็นอย่างนั้น ดังนั้นจึงเป็นจิตที่ไม่เหมาะไม่สมที่จะมาจะเจริญปัญญามิปัฏนามาเห็นแจ้งในนามในรูปอันนี้ตามเป็นจริงได้ต่อเมื่อใดผู้ใดไ ด, ได้สมทานมั่นในศีลละบาปอากุศลต่างๆออกจากกายวาจาใจแล้วเมื่อนั้นแหละ การทำสมาธิภาวนามันก็เป็นไปได้ฮะนี่จิตใจมันผ่องแผ้วแล้วน้อมจิตลงสู่ความสงบมันก็ไม่มีอะไรมาขวางทางนั้นไม่มีอกุศลนิกอะไรมาโดนจิตโดนใจให้คิดให้ปุงแต่งไป มันก็มีแต่จิตใจนี่มันก็เห็นคุณแห่งความสงบแล้วเห็นแล้วมันจึงยุติตัวเองลงไม่ยึดถืออารมณ์ภายนอกมาปรุงมาแต่งอยู่ในจิตใจเหนือไม่ยึดถือภายในคือผาดสี่ขัน้า น, น, านี้มาเป็นอุปสรรคของการ ทำจิตให้สงบไม่ถือว่าร่างกายอันนี้เนะี่ยมันเที่ยงยั่งยืนรู้แล้วว่ามันไวเทียงโรคภัยกระเบียดเปียนอยู่บางคนก็มีโรคมากบางคนก็มีโรคน้อยอันจะปัจดจะจากโรคภัยค่เจ็บจะเลยไม่มี ต่างแต่ว่ามากแหลน้อยกลัวกันเท่านั้นเองดังนั้นผู้ใดปฏิบัติไปละไปวางไปเบื้องต้นก็ละบาปเมื่อละบาปหมดแล้วก็มาละกิเลส อามารักิเลดอันกวนใจให้พุ่งส่านเลื่อนลอย ต, ต่างๆพวกนี้มันมีกิเลสอย่างกลางเมื่อลักกิเลสอย่างงาบได้แล้วกิเลสอย่างกลางมันก็ลบกวนจิตใจให้พุ่งส่านนำคาญอีกแต่กิเลสชนิดนี้มันไม่ถึงกับ ใา้กายทำชั่วใช้วาจาพูดชั่วผิดศีลผิดธรรมไม่ถึงขั้นนั้นเป็นเพียงรบกวนจิตใจให้เลื่อนรอยสงบลงไม่ได้เท่านั้นเองอดังนั้นให้ขอย พ, พากันเข้าใจกิเลสเป็นชั้นชั้นไปอย่างนี้ แทงดูจิตตัวเองว่ากิเลสยังงามหยาบนั้นตนละมันแล้วหรื อ, อยังนี่ก็สังเกตดูเมื่อพินิจพิษิตรอยู่มันก็รู้ได้ว่ากิเลสยังหงับตนละมันแล้วหรื อ, อยังละไม่ได้หมด ก็รู้นี่นะเมื่อกิกเลสอย่างใดที่ยังละไม่ได้กนละมันเสียมันก็จะไม่ได้ทำบาปน้อยใหญ่ต่อไปอย่างเป็นพระสงฆ์สามเณรอย่างนี้อันกิเลสยามยาภายนอกนั่นกนละมาได้แหละฆ่าตัดตัดชีวิตอะไร ต่ออะไรแต่มันกิเลสที่มันกวนใจให้สงบไม่ได้นี่มันต้องมีเป็นอย่างนั้นนั่นแหละการภาวนาหั้นต้นนี้จึงพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ละนิวรห้านี่หนเป็นธรรมอันขั้นจิตมาให้บรรลุ บุญกุศลคุณความดีต่างๆได้อย่างนั้นในวนห้าก็กามาฉันทะความรักใครในกิเลสกรรมวัตถุกรรมกามมะแปลว่าความใคร่เงีเนี่ ถ้าจิตมันยังมีความใคร่อยู่เช่นนี้มันก็ต้องเพ่งไปหารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นเพศตรงกันข้ามนั้นเลยเพ่งไปมองดูส่วนนั้นมันสวยอย่างนี้ส่วนนี้สวยอย่างนั้นไปวิตกวิจาร์ดาเนวากามวิตก มีตอกเวจารย์เท่าไรยิ่งมีความกำนัดแรงกล้ากันเป็นเท่านั้นผู้บ่าเพร่อพรมอาจรรย์มันอยู่ไม่ได้ก็เพราะเหตุนี้แหละตัวเองก่สร้างกิเลสราคะตัณหามาเผาจิตตัวเองเป็นเช่นนั้นพึงเข้าใจตัวเองทุกคนดังนั้น พระพุทธเจ้ายังสอนให้ภาวนาทรรมจิตใจสงบลงในปัจจุบันอย่าส่งใจออกไปข้างนอกมันมีภัยเราก็ปฏิบัติตามนี่ไม่สง่งจิตออกไปข้างนอกพยายามเพ่งอยู่แต่ภายในเพ่งลมหมายใจเข้าออกอยู่นั้น เพราะลมหายใจเข้าออกนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเมื่อรู้เท่าลมหายใจเข้าออกนี้แล้วก็เท่ากับว่ารู้เท่าร่างกายทุกส่วนนั้นเองเพราะเนื่องจากว่าเมื่อลมหายใจนี่ไม่มีแล้วทาดส่วนอื่นร่างกายส่วนอื่นก็จบลงเลย เคลื่อนไว้อะไรก็ไม่ได้เหตุังนั้นการที่มารู้เท่าลมหายใจเข้าออกมาจ้องอยู่อย่างนี้จึงชื่อว่าเดินทางถูกต้องไม่ผิดเมื่อเห็นชัดลงไปตามเป็นจริงแล้ว จิตมันก็จะรวมลงท่านั้นแหละเพราะมันรู้ชัดแล้วว่าร่างกายนี้อาศัยลมหายใจเข้าออกเป็นกำลังถ้าลมหายใจเข้าออกนี้หยุดลงร่างกายทุกส่วนไม่ได้ทำงานเลยธาตุไฟก็ดับไปธาตุลมก็หายไปเหลือแต่ธาตุาดินกับธาตุน้า เท่านั้นเองจิตจึงอาศัยอยู่ในร่างนี้ไม่ได้เพราวะว่ามันธาตุไฟที่จะให้รับความอบอุ่นมันก็ดับไปแล้วธาตุลมที่มันจะทำหน้าที่ให้เดินเหินไปมาพูดจาปราศัยทำการงานอะไรต่ออะไรได้ มันก็หายไปแล้วดัอนั้นพิจารณาให้ดีเมื่อก็้ใดมาพิจารณาตรงอย่างนี้นะกิเลสตัณหามันก็จะเบาบางลงความอยากได้อะไรต่ออะไรมันก็เบาลงเลยมองเห็นแล้วว่า เมื่อเราหายใจหยุดลงแล้วมีอะไรอยู่ในโลกนี้ก็ไม่ได้เอาติดตัวไปเลยมีได้ทิ้งว่าในโลกมีทั้งนั้นเลยดังนั้นนะผู้ใดมาพิจารณาลมหายใจเข้าออก มานิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้นะแน่นอนนะจะไม่ให้มันเบื่อนายตัวโลกนี้ไม่มีต้องเบื่อนายแน่ตัณหาความเยินทานยากต่างๆมันก็เบาบางลงไปความอยากได้อะไรเท่าไรมันก็เบาบางลงก็มไม่ทราบว่าจะอยากได้ไปอะไรนังหนา ล ม, มาหายใจเข้าออกอันมันหล่อเลี้ยงชีวิตนี่เป็นอยู่มันก็ไม่เที่ยงเมื่อธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟเหล่านี้มันวิบัติแปรปวนไม่คงที่อยู่แล้วล้มมันก็แปรปวนไปด้วยกันมันเป็นอย่างนั้น พิจารณาดูให้มันเห็นชัดตรงไปว่าในร่างกายนี่ทั้งหมดก็มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุนมเท่านั้นเองประชุมกันอยู่โดยอาศัยบุญกรรมที่ทำมาแต่ก่อนนุ่นมาหล่อเลี้ยงรักษาไว้มันจึงไม่แตกไม่ทำลายไปก่อน เหลือบุญกรรมที่นำมาตกแต่งร่างกายนี้มันก็มีขอบเขตจำกัดเหมือนกันเหมือนตะเกียงคมไฟใสน้ำมันกับไส้แล้วจุดไฟเข้าไปมันก็ลุกโพร่งขึ้น มันก็ส่องแสงสว่างไปแต่และไฟมันก็ไหม้น้ํามันไม่ใช่ไปน้ํามันก็ค่อยหมดไปหมดไปใช้ก็สั้นเข้าไปยันที่สุดเมื่อน้ำมันหมดไฟก็ดับคูบลงอืมแต่ตะเกียงคมไฟน่ะก็เพียงเป็นเรื่องเปรียบเทียบกันพอรู้ๆเท่านั้น ถ้าจะเกียงคมไฟเนี่ยมันยังเติมน้ำมันใส่ได้เมื่อเติมน้ำมันแล้วมันก็ไฟมันก็ลุกโพงขึ้นเหมือนเดิมแต่อัตภาพร่างกายนี่เมื่อบุญเก่ามันร่อยหลอลงไปแล้วแม่บุคคลจะบำรุงด้วยอาหารการกินอเนกอร่อยสักเท่าไหร่มันก็อยู่ไม่ได้ มันก็แปรปวนไปมันแตกต่างกันตรงนี้แหละมันนี่แต่เกียงคมไฟกับร่างกายอันนี้นะเห่นดังนั้นผู้บำเพ็ญจิตตะภาวนาก็ต้องพิจารณาให้มันเห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วมันก็จะได้เกิดนิพิทาความเบื่อหน่าย ไม่ปาถนาที่จะยึดมั่นถือมั่นในธาตุสีขันธ์หน้านี้ไว้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของของตนไรเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วทำอย่างไรจึงจะพ้นจากความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาของธาตุสีขันธ์หน้านี้ ก็ต้องวางอุเบกขาลงเมื่อพี่นาเห็นแจ้งโดยปัญญาแล้วว่าอาวัยวะร่างกายทุกส่วนไม่ใช่อของเราทั้งรูปประธรรมนามธรรมาเมื่อรู้เช่นนี้แล้วก็วางอุเบกขาวางเฉยลงไป วางลงไปแล้วก็ทำความรู้เท่ามันอยู่ถึงแม้เราจะวางจิตเป็นอุบเบกขาลงแล้วร่างกายนี่มันก็แปรปวนอยู่นั่นแหละมันก็กระทบกระทั่งกับจิตอยู่เว้นเสียแต่จิตของพระอริยเจ้าวางพวก ที่เข้านิโรธสมาบัติเข้าไปแล้วอันนั้นจิตของท่านไม่ได้สัมผัสกับความทุกข์เพราะจิตไม่ได้ยึดมั่นไม่ได้สัมผัสกับธาตุสี่กับห้านิยูจิตของท่านสงบอยู่โดยลำพังพรทเทยังไม่สามารถจะเข้านิโรธสมาบัติได้ เช่นนั้นมันจิตนี้ก็ต้องได้สัมผัสกับร่างกายนี้เสมอเ ส, สมอไปมาดนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายทำความรู้เท่าไปอดทนไปก็รู้ว่าไม่ใช่ของเราแต่ว่า บุญกรรมที่ทามาแต่ก่อนมันยังไม่หมดมันก็ร่างอันนี้มันก็ยังอยู่บุญกรรมยังโหรดยังอยู่แต่ว่ามันมีกรรมเวทอย่างใดอย่างหนึ่งที่รรทามาแต่ก่อนนั้นมันมาตามสนองทำให้โรคภัยไข้เจ็บอันร้ายแรงเบียดเบียนร่างกาย จะตายก็ไม่ตายจะหายก็ไม่หายมันทำให้ร่างกายวุ่นวายแปรปวนกระทบกระทั่งกับจิตอยู่นั่นแหละทำให้จิตได้สเสวยทุกขเวทนาอยู่แต่เมื่อทำจิตให้สงบจเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นแล้ว ก็มีแต่รู้เท่าอย่างเดียวว่านี้ละก็ละไม่ได้เพราะบุญกรรมที่ทำมาแต่ก่อนยังไม่หมดจะให้จิตดวงนี้ออกจากร่างนี้ก็ออกไม่ได้เพราะบุญกรรมยังหน่วงเหนี่ยวไว้ให้เข้าใจดังนั้นมีแต่ทำความรู้เท่ามีส ว, ว่างอุเบกขาลงไม่ดีใจเวลาร่างกายนี้เป็นปกติ ไม่เสียใจเวลาร่างกายนี่วิบัติแปรปูวนไปไม่เสียใจเศร้าโศกนี่แหละจึงเรียกว่าทำจิตให้เป็นอุเบกขาวางเฉยลงไปดังนั้นความจริงแล้วทุกคนก็สามารถรู้ได้นะจิตนี่นะ ว่าแต่น้อมสติระลึกเข้ามาภายในเท่านั้นแหละเพ่งลมหมายใจเข้าออกไปมาอยู่นี่ก็ย่รู้ว่าจิตมีลักษณะอย่างไรก็รู้ได้คนไม่ภาวนาไม่เพ่งเข้ามาภายในก็ย่อมรู้ไม่ได้เลยเพราะว่ากิเลส มันกวรจิตตรงนี้ให้คิดให้พุ่งแจงให้ส่งออกไปแต่ข้างนอกมันไม่ให้น้อมสติเข้ามาเพ่งพี่นาอยู่ภายในมันเห็นไปแต่ภายนอกเพราะฉะนั้นมันจึงไม่รู้ไม่รู้ตัวว่าตนเป็นอยู่อย่างไรเวลานี้ตนทำอะไรอยู่ตนหลงอะไรอยู่ คนรู้อะไรอยู่มันไม่ค่อยรู้ตัวนะ่ะคนหลงคนเมาเาป็นอย่างนั้นเหตุดังนั้นนะ่ะเมื่อไปพบกับเรื่องชั่วมันก็จึงยึดเอาเรื่องชั่วนั้นมาเป็นอารมณ์ก่อให้เกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาอย่างรุนแรงอ่าเมื่อไปเจอดี ข้าวก็พอใจในความดีทำความดีไปไอ้ใจของปุถุชนคนผู้ยังนาพิโยกิเลสเป็นอย่างนี้แหละฉ mm hmm. ะนั้นทุกคนให้กรวจดูจิตใจตัวเองว่ามันเป็นอย่างนี้หรือไม่หรือไม่เป็นก็ให้รู้ mm hmm. เมื่อรู้ตามเป็นจริงแล้วก็จะไม่แสดงความยินดีอินร้ายต่อธาตุสี่ขณนานี้เพราะเห็นตามเป็นจริงถึงเป็นยินดีกับร่างกายนี้ว่ามันเป็นปกติโลกภัยไม่เบียดเบียนแต่มันก็เป็นไปชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเอง ท่านน้อยนึ่งผมก็มีโรคภัยเบียดเบียนมาแล้วไม่มากก็น้อยอเหตุดังนั้นแหละจึงไม่ควรยินดีกับขันหน้านี้อืเมื่อขันหน้านี้วิบัติแปรปวนก็ไม่ควรที่จะไปยินร้ายเพราะอะไรเพราะไปยินร้ายอย่างนั้นมันเป็นทุกข์ ไปยินร้ายไปเศร้าโศกเสียใจเช น, นั้นมันเป็นทุกข์เปล่าเป่าอืมไม่ควรที่จะไปยินร้ายกับธาตุสี่ขันหน้าอันนี้ก็เมื่อมันไม่ใช่ของเราแล้วมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเมื่อสิ้นเหตุสิ้นปัจจัยเหล่านั้นแล้วมันก็ดับไปเท่ น, นั้นเองธาตุสี่ขนธหน้าเนี่ย จิตที่ครองที่อาศัยอยู่ในนี้ก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องถอนตัวออกไปไม่ใช่ถอนตัวออกไปโดยลาพังนะมีบุญกรรมบาปกรรมที่ทำนั่นแหละนำไปผู้ใดยึดทั้งสองอย่างก็ทั้งสองอย่างแหละนำไปถ้าผู้ใดละกรรมมันชั่วเสียไม่ยึดถือไว้ในใจ ยึดแต่กรรมดีคือบุญกุศลไว้ในใจก็มีบุญกุศลนั่นแหละเป็นพาหานะนำไปนั่นแหละสำหรับผู้ที่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องมาพยายามละคำมันชั่วนี่แหละออกไปจา ก, กจิตใจให้ได้แล้วก็ตั้งใจ กาทำความดีให้เกิดมีขึ้นในจิตใจนี้การตั้งใจทำความดีให้เกิดมีแก่จิตใจนี้ก่อนอื่นก็ต้องเจริญเมตตากรุนานี่แหละให้เกิดขึ้นก่อนเพราะุณธรรมเหล่านี้มีอยู่ในใจของผู้ใดมากๆแล้วคุณนั้นจะไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเลย อืมแต่อย่างนั้นเพราะไม่ต้องการอยากทะเลาะวิวาทกันการทะเลาะวิวาทกันมันก็เป็นทุกข์นี้ไมนดีก็ทําบาปอืทุกกันตีการฆ่ากันตายก็สร้างบาปกรรมใส่ตัวเองเป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ย ควรพากันพิจารณาให้ดีเมื่อพิจารณาหลายสิ่งหลายอย่างประกอบกันเข้าแล้วมันก็จึงลงความเห็นได้ว่าทาตสี่ขันธ์น้าอันรวมเรียกว่าร่างกายนี้ไม่ควรยึดถือโดยแท้ควรปล่อยควรวางตามสภาพของมันแล้วจิตนี้ก็จะไม่เป็นทุกข์แับนี้นะ จิตนี้เป็นทุกข์เพราะยึดมั่นในธาตุสี่ขาน่าว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขามันจะเกิดเป็นกิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดครอกนำจิตใจนี่ให้เศร้ามองคุณมัวเมื่อใจนี้เศร้ามองคุณมัวแล้วก็เป็นทุกข์แหละวันนี้นะกงิันข้าม เมื่อจิตใจเบิกบานผ่องใสแล้วก็มีความสุขอย่างนี้นะมันก็เหมือนมืดกับสว่างนี่แหละให้เข้าใจถ้า ม, มืดมาแล้วมองหาอะไรก็ไม่เห็นต้องอาศัยแสงสว่างเป็นเครื่องสองไปข้างหน้าเดินไปมันก็จึงเห็นอะไรต่ออะไรได้ อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละก็เมื่อจิตใจนี่มันมัวหมองมันมืดมอนอยู่ด้วยกิเลสต่างๆเหล่านี้นะมันก็มองไม่เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารเลยอย่างนั้นมันก็ไม่เมื่อมันไม่เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารแลยมันก็ไม่เบือ่อเมื่อมันไม่เบื่อแล้วมันก็มีแต่ยึดถือไว้ ไม่ได้คลายความยึดถือออกไปเลยอย่างนี้แหละมูลเนตของสัตว์โลกทั้งหลายที่จะได้หมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายไม่รู้จักจบ จ, ก, จกสิ้นอยู่นี่นะมันเป็นอย่างนั้นอาศัยตัณหาแหละเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจนี้ว่าให้ มีความเพลิดเพลินยินดีมัวเมาไปกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใครพอใจต่างๆรำที่ไหนไปที่นั่นขับร้องที่ไหนไปที่นั่นดิดสีตีเป่าที่ไหนไปที่นั่น เสภาที่ไหนไปที่นั้นเพลงที่ไหนไปที่นั้นเถิดทถงที่ไหนไปที่นั้นพระพุทธเจ้าแสดงไว้คนหลงคนเมาคนตกเป็นทาตแห่งตัณหาแล้วมันก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยดังนั้นนะพวกเราผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ก็จึงไม่ ไม่ควรที่จะไปตกเป็นธาตแห่งสัณหายอย่างนั้นอืมควรพากันทําความเพียรให้เด็ดเดี่ยวเข้าไปเพราะว่ากิเลสตัณหาความหลงความเมามันจะสางไปได้ก็เพราะความเพียร น, นี่เองเนี่ยอืมผู้ใดขาดความเพียรแล้วเป็นไปไม่ได้เลย ทำกิเลสให้เบาบางไม่ได้เป็นอย่างนั้นครบชั้นพอประมาณนอนพอประมาณนี่อย่างนี้แหละการฝึกตนนะนี่ปรากฏว่าบางพวกบางเราที่บวชมาแล้วนี่เอาแต่ความนอนเป็นประมาณ เหยียครานไม่ลงมาทำวัดสวดมนต์ทำสามทาสมาธิภาวนาร่วมกันกับหมู่กับคณะนี่แสดงว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในความประ ม, มาทเปน็นยังไนเมื่อเมื่อตั้งอยู่ในความประ ม, มาทอย่างนี้แล้ว มันก็ไม่มีทางนะีมันจะเปละอุปทานทั้งต่างเหล่านี้ได้ไปไปก็ตกเป็นทาตของกิเลสตัณหาแล้วก็ไม่สามารถที่จะประพฤติพรหมจรรย์ตลอดไปได้อันทุกวันนี้ก็ขอให้พากันพี่นาดูให้ดี บุคคลผู้มีทุกข์ครอบงำอยู่มากมายโดยเฉพาะชาวพุทธเราก็หวังพึ่งพระสงฆ์สามเณรผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ตั้งมั่นอยู่ในพรหมจรรย์ไม่เพลิดเพลินมัวเมาในกามคุณ หรือกิเลสกรรมวัตถุกรรมต่างๆ ต, ตั้งอยู่ในความสงบระงับเช่นนี้เนะี่ยพุทธบริษัทจึงผู้วุ่นวายผู้เดือดร้อนในใจก็มักจะแสวงหาเข้าวัดปราอารามไปสู่สถานที่เป็นสำนักที่อยู่ในป่าเขาลำเนาภัย เอาไปพักผ่อนหยนใจแล้วก็ได้ความสงบความเย็นใจเช่นนั้นนะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คนหมู่มากก็ตามมันก็เป็นธรรมดามนุษย์โลกของเรานี่มันต้องมีคนดีก็มีคนชั่วก็มี คนชั่วมันก็ไม่ได้สนใจเรื่องศาสนามีแต่คนดีคนมีบุญกุศลที่ตนได้ทำมาแต่ก่อนนั่นแหละมาโดนจิตโดนใจให้นึกถึงตัวเองได้กว่าตนเองจะพ้นทุกข์ได้ขอปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้น กนณีเมื่อตอนยังไม่รู้แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องก็จึงไปแสวงหาพระสงฆ์ผู้ที่ท่านปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าโดยถูกต้องได้รับผลมีความเป็นอยู่อย่างมั่นคงไม่งอนแงนคอนแคนเรียกว่าประพฤติพรห ม, มจรรย์สม่ำเสมอไป โดยลำดับเมื่อญาติโยเมเห็นเขาก็ได้รับความอุ่นใจนั่นแหละเพราะว่าชาบ้านเหมือนกันนะมักจะถูกกิเลสมันปั่นจิตใจให้เลาะและเล็วไหลงอนเงี้ยนค้อนแค้นเขาผาสมาคมกันไปแล้วก็สดแสดง ความชั่วออกให้เห็นมันจึงไม่น่าคบหาสมาคมอันเมื่อผู้มีบุญทั้งหลายได้พระสงฆ์ก็มีบุญกุศลได้บำเพ็ญมาแต่ก่อนมากมายญาติโยมก็มีบุญกุศลได้สั่งสมมาแต่ก่อนเช่นเดียวกัน เมื่อสัญจรเข้ามาพบกันเข้าก็จึงยินดีซึ่งกันและกันไม่ใช่ยินดีด้วยอำนาจแห่งราคะตัณหายินดีชื่นชมในกุศลคุณงามความดีของกันและกันเป็นงั้นแล้วพระสง์ก็ชักชวนญาติโยมประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจมีเว้นจากฆาต เป็นต้นเป็นจากดื่มสุรามีไรเป็นที่สุดญาติชมก็ผู้มีบุญทั้งหลายเมื่อได้ฟังคำแนะนำสั่งสอนของพระสงค์แล้วก็พยายามปฏิบัติตามพยายามละเว้นจากบาปกรรมเหล่านั้นตามนี่เรียกว่า ท้อยถ้อยอาศัยกันสแสวงหาทางออกจากทุกข์พระก็อาศัยญาติโยมเป็นผู้อุปถรัรมภ์บำรุงด้วยปัจจัยสี็จึงมีโอก า, อกาสบำเพ็ญสมณะทรรมได้ญาติโยมก็อาศัยพระผู้ปฏิบัติผู้รู้ธรรมเห็นธรรม แนวทางที่ถูกต้องพระก็นำมาสั่งสอนเนะแนวทางที่ถูกต้องให้ญาติโยมฟังญาติโยมได้ฟังแล้วก็ละหุนทางอันผิดมาดําเนินทางที่ถูกต้องเช่นแต่รุ่นก่อนๆมาปู่ตายายโทษนู่น พระก็นับถือผีก็นับถืออย่างนี้แหละเคาะเข็นเอ็นต้องนับถือทั้งนั้นมีการสะเดาะเคาะกันผูกดวงกันมีการไหว้ผีบวงสวงผีถ้าไม่ทำอย่างนั้นก็กลัวผีมันจะมาเบียดเบียนเอานี่ แสดงว่าคนเหล่านั้นน่ะยังไม่เห็นแจ้งในกรรมในผลแห่งกรรมตามที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ไม่เชื่อต่อบุญกุศลที่ตนทำหมายความว่ า, างั้นเลยไม่เชื่อว่าบุญกุศลจะรักษาชีวิตของตนให้ปลอดภัยไว้ได้ เมื่อมีข่าวเล่าลือว่าตรงนั้นมีผีดุตรงนี้มีผีร้ายอะไรอย่างนั้นแล้วก็กลัวถึงได้พากันไปบวงสรวงบูชาอ้อนวอนขอให้รักสมรักษาอาอย่าได้มาเบียดเบียนเลย กลัวไม่เข้าเรื่องอย่างว่านั่นเนี่ยคนเรามันหลงมันเมาเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่ทราบว่าผีนั่นอยู่ที่ไห น, นมีรูปร่างอย่างไรก็มองไม่เห็นใครก็มองไม่เห็นเลยเป็นแด่ข่าวเล่าลือเท่านั้นแล้วก็เชื่อกันแล้วอย่างนี้เลยแล้วไม่เชื่อว่าบุญกุศลที่ทนทำนั่น จะเป็นสิ่งที่ป้องกันชีวิตของตนไม่ให้มีภัยพิบัติอันตรายต่างๆเช่นนี้คนส่วนมากไม่ค่อยเชื่อนี่ตนทําบุญอยู่แต่แล้วก็ไม่เชื่อบุญไม่เชื่ออนุภาพของบุญเหตุนั้นั้นมันจึงไปนับถือผีสางนางไม่เลิกนียามดีเคราะดีเคราะร้ายอะไรอันนั้นจะเป็น ลัทธิศาสนาพราหมณ์เอามาผนเปกับพุทธศาสนาไปเลยอย่างนั้นพุทธศาสนีกระชนทั้งหลายผู้มีบุญมีวาสนาได้สะดับตรับฟังคำสองพระเจ้าเช่นนี้แล้วก็ให้พากันน้องเข้าไปคิดพระพิณาให้ดีอนุภาพของบุญกุศลที่เราทำนี่นะมันใหญ่ยิ่งจริงๆ เมื่อเราไหว้พระเรานั่งภาวนาเรานึกถึงเรารวบรวมบุญคุณมาไว้ในใจเสมอเสมอไปแล้วไม่มีอะไรที่เขาเรียกว่าผีดุหรือว่ามีสิ่งทักทิศมีเคราะห์ร้ายอะไรต่างๆนั้นไม่มีเราม่จะมาก่ำกลายชีวิตของผู้นั้นนะเพราะว่าอนุภาพแห่งคุณประพุทธรรมระสอง อนุภาพแห่งบุญกุศลนี่ใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งใดทั้งหมดดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมต้องพิจารณาให้เห็นอนุภาพแห่งพระคุณทั่องสามนี้แล้วคุณแห่งบุญแห่งกุศลที่ตนได้กระทำบำเพ็ญอยู่เนี่ยต้องให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่มีอนุภาพมากสามารถ ป้องกันภัยวิบัติอันตรายต่างๆในชีวิตนี้ได้เพืนเสียแต่ผู้นั้นทํากรรมเวรอันชั่วร้ายมาแต่ก่อนอันนั้นใครก็ช่วยไม่ได้เลยกรรมเวรมาถึงแล้วมันก็ต้องวิบัติไปเป็นธรรมดาอันนี้เราก็ต้องรู้ไว้เบงั้นถ้าไม่รู้ไว้แล้วก็เอาแล้วไปโทษ ขอพุทธธรรมประสงค์ไปโทษบุญกุศลอา้าไหนพระแสดงว่าบุญคุณนี่ช่วยชีวิตได้แล้วทําไมยังมาเกิดความวิบัติอย่างนี้เมื่อเกิดความวิบัติมาอย่างนี้แล้วนึกถึงบุญนึกถึงคุณดังกล่าวมาแล้วนั้นบุญคุณก็ไม่มาช่วยให้ใหายเจ็บหายป่วยมันก็วิตกวิจารณ์ไปทั่วแล้ววันนี้นะคน คนไม่รู้แจ้งในกรรมดีก ร, รมชั่วที่ตัวทรมมาแต่ก่อนแล้วก็ไม่เชื่อด้วยถ้าเชื่อมั่นว่าโรคภัยค่เจ็บอันใดเกิดตกแต่ร่างกายอันนี้แล้วรักษาอย่างไรอย่างไรก็ไม่หายเราก็ต้องเชื่อแน่ว่ามันก็ต้องเป็นกรรมเวรแต่ชาติก่อน ถัดก่อนนอนตอนได้ทำคู่อื่นได้เป็นทุกข์พรมานตั์ให้เจ็บให้ปวดให้ทุกขเวทนาต่างๆนานามา เ, เข้าใจว่ากรรมเวรอันนั้นแหละตามมาสนองเอาอมเมื่อรู้ชัดอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ไปโทษบุญโทษคุณแล้ววันนี้นะ ก็อดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นแต่ ร, รมตะเวนเหล่านั้นไปในใจก็ไม่วันไหวไม่ไม่ให้มันเป็นทุกขเป็นโศกโดยยึดเอาบุญเอาคุณเป็นที่พึ่งไปเพราะว่าจิตนี้มันไม่ใช่ขันห้าขันห้าก็ไม่ใช่จิตอันนี้ก็เคยพูดมาบ่อยๆอยู่แล้ว แต่ผู้ฟังไม่ทราบเราจะเห็นตามหรือไม่ก็ไม่รู้ถ้าหากว่าจิตนี้เป็นขันธ์ห้าแล้วเมื่อขันธ์ห้าแตกดับลงจิตก็สูญไปเหมือนกันก็ไม่ได้ไปเกิดที่ไหนแล้วคิดดูให้มันเห็นหรือจิตนี้แสดงว่ามันไม่ใช่ขันธ์ห้าแต่มันอาศัยขันธห้าอยู่ แล้วส ะ, สะสมกิเลสไว้ในใจกิเลสนั่นแหละเป็นเหตุให้ทำกรรมดีกรรมชั่วใส่ตัวเองกรรมดีกรรมชั่วนั่นแหละนำดวงจิตนี้ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่สแสดงว่าจิดตดวงนี้มันไม่ดับมันไม่สูญไปกับขันห้านี่ให้พึงพากันเข้าใจไวจิดตดวงนี้แหละ ถ้ามันชั่วแล้วมันยึดสื่อกรรมชั่วเวลาก็ไปนรกกรรมชั่วก็ไปสร้างรูปกายของสนันนกให้จิตนี่อาศัยได้ทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกน้่มนอนลั่วไฟเผาจิตตรงนี้แหละเมื่อทำดียึดเอาความดีเป็นดีพึ่งไว้ยึดเอาคุณพระระัตนาไกลเป็นดีพึ่งไว้ยึดเอาคุณ คุณศิลนคุณทานการกุศลต่างๆเป็นที่พึ้งไว้ในใจเมื่อร่างกายนี้แตกสลายลงขิดนี้บุญคุณอันนี้มันก็เป็นญาณผานะนำดวงขิดนี้ไปเกิดสุคติโลกสวรรค์อันเป็นสถานที่อยู่ของผู้มีบุญทั้งหลายที่ได้กระทำแล้วแต่ในโลกนี้ นี่บุคคลณได้ยังสร้างบุญบา ร, รมียังไม่เต็มนะยังไม่ถึงบริิพานก็ต้องมีสวรรค์เป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยไปก่อนเมื่อหมดบุญในสวรรค์ลแล้วลงมาเกิดในโลกนี่ก็มาสร้างบุญบา ร, รมีอีกมาอดทนต่อความชั่วร้ทั้งหลายไม่ผูกพยาบาทจองเวรกับใครใครจะเบียดเบียนยังไงก็ อาโหสิกรรมให้ไปรวบรวมเอาแต่บุญเอาแต่กุศลเท่านั้นสิ่งใดที่เป็นบาปอากุศลไม่เอาเลยอย่างนี้นะมนก็ทำให้บุญบารมีของผู้นั้นแก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับนี่การมาสร้างบุญกุศลก็คือเราละความชั่วเสียไม่หวนไไวต่อความชั่วที่กระทบกระทั่งมาไม่ยึดเอาความชั่วเป็นที่พึ่งในใจ เมื่อได้ฟังคารรสอนพุทธเจ้าแล้วท่านสัจสอนว่าคุณพระพุทธธรรมประสงค์เป็นพระคุณอันประเสริฐควรเอาเป็นที่พึ่งได้เราก็ทำความยินดีเลื่อมใสโน้มพระคุณทั้งสามนั่นเข้ามาตั้งไว้ในใจพระองค์ทรงแสดงว่าปุญญานิปะโลกัดสมิงปฏิถาโหนติปานินาง บุญย่อมอำนวยความสุขให้แก่บุคคลผู้กระทำถึงในโลกอื่นสุขขอบุญญาตสะอุตเทโยการสั่งสมบุญย่อมนำมาซึ่งความสุขในปัจจุบนันนี้ผู้เชื่อคำสองมุทเจ้าอย่างนี้แล้วก็ไม่ไม่หวังแสวงหาความสุขจากทิ่อื่นแล้ว ตนทำความดีด้วยกายวาจาใจเข้าไปบุญกุศลก็ย่อมเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปโดยลำดับเ <c oughs> มื่อผู้ใดได้เชื่อบุญ <c oughs> เชื่อคุณดังกล่าวมานี่แล้วผู้ชีวิตของผู้นั้นก็ย่อมเป็นไปอย่างราบรื่นนะไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนกับสิ่งใดใดท้งมดอันนี้แหละเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วขอให้พากันไป แล้วก็ไปพิจารณาเมื่อเห็นว่าเป็นหนนทางพ้นทุกข์ได้จริงก็พกกากันลงมือก่อพืชปฏิบัติตามก็คงจะได้รับความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปดังแสดงมา